รู้ว่าเรายังมีอะไรต้องทำอยู่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรจะไม่มีความลังเลสงสัยตัวนี้อีกอย่างถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังหยอๆยแยะแยะขยนันบ้างขี้เกียจบ้างเนะชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างวันนี้ศรัทธาหน้ามืดตามัวศรัทธางมงายนะวันนี้เสือสนะเส่อมศรัทธาละเสื่อมศรัทธาหนีไปอยู่กับอย่างอื่น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 มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยพอได้สกทาขาเนี่ยศีลบริบูรณ์นะสมาธิปานกลางพอพอใจไหลแวบเดียวสติก็ตามทันนล้วจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงนานนะไม่หลงเป็นวันวันอย่างพวกเราหรอกนะหลงทีละแวบเหมือนฟ้าแลบทะแวบก็รู้สึกแวบก็รู้สึกนะงั้นกิเลสเลยเบาบางทำไมกิเลสเบาบาง กิเลสไม่มีโอกาสที่จะก่อตัวให้ใหญ่โตขึ้นมาได้แค่ไววตัวแวบขึ้นมาก็เจอสติเข้าขาสะบั้นไปแล้วแต่ปัญญาของพระสกทาคาก็อย่างเล็กน้อยอยู่นี้ถ้าภาวนาต่อไปอีกนะตัดครั้งที่สมลเนี่ยเป็นพระอนาคามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางเห็นไหมขนาดพระอนาคาปัญญาปานกลางแล้วพวกเราจะขนาดไหน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 มันเป็นมองเพราะกิเลส ท, ที่ละเอียดจนกระทั่งนึกไม่ถึงว่าเป็นกิเลสเช่นภาวนาไปแล้วมันเกิดเร่าร้อนใจขึ้นมานะโอ้ยังไม่ได้เป็นพระละหาันงานยังไม่หมดนะจิตต้องดิ้นหลนค้นคนว้าทํายังไงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้เรียกว่ามีความฟุ้งซ่านในธรรมะเรียกอุทธธัศจะหรือไปกราบครูบาจารโอท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเราดยังไม่ได้อย่างท่านสัทีนี่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 พระความมองมองก็ไม่เที่ยงแต่พวกเราอย่าถือหลักนี้ไม่ได้นะมองมองไม่เทียเ่ยงช่างมันมันไม่เที่ยงนะมันจะชั่วเลยลหละมันไม่ใช่แค่มองนะจะเอามาเปรียบกันไม่ได้เพราะศีลของเราก็ไม่มีบริสุทธิ์สมาธิของเราก็ไม่มีนะจะเอาธรรมชั้นสูงมาอ้างเป็นข้ออ้างของกิเลสไม่ได้เนี่ยท่านจะคอยรู้สึกอยู่เรื่อยว่ามันขาดอยู่ขาดอยู่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 ดูจิตแล้วอะไรปรุงขึ้นมาปัดทิ้งให้หมดปัดทิ้งให้หมดเอาความว่างๆไว้มันว่างเฉยๆด้วยกำนาจของสมถะถ้ามีการกระทำนะการกระทาใดๆในการที่จะสงวนรักษาจิตเป็นสมถะทั้งสิน้นแต่ถ้าเราเดินมาตามลำดับนะเรารู้กายเรารู้ใจเห็นไหยในวิปัสสนากรรมฐานมีแต่เรื่องรู้รูปนามเห็นรูปนามเป็นไตรลักษ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 ออกนอกลู่นอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างนา ง, ง่ายๆเรื่องไปดูความว่างนี่ฟังยากเรื่องง่ายๆเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอ น, อนานาปนานสติพวกเราชอบทารู้ลมหายใจใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนาน า, นาปนานสติสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัรลงังหมายถึงนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระอินเดียไม่มีเก้าอี้นั่ง แล้วถ้านั่งกับพื้นที่สบายที่สุดนะคือนั่งสมาธิขัดสมาธินั่งพับเพียบเมื่อยนะไม่สบายกระดูกสันหลังโคดนั่งนานๆจะพิการหัวเข่าจะเสียนะท่านถึงบอกภิกษุทั้งหลายให้คู้บรรลังนี่ถ้าท่านตรัสรู้นในยุโรปนะท่านจะบอกภิกษุทั้งหลายถ้ามีเก้าอี้หลังตรงๆนั่งก็นั่งเก้าอี้ได้นะ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 ท่า เ, เร็วๆนะท่าไม่ได้เดินช้าภาษารที่บุตรนั้นอยู่ที่พัฒนาสติจนมันรวดเร็วมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของใจมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าไม่มีสติปัญญาไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะทั้งหมดเลยยังไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปยุรู้ขยับไม้ขยับมือ